สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่สามสิบเจ็ดเรื่องขยันเหมือนมดพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่หกข้อที่หกถึงข้อที่แปดครับเป็นข้อพระคัมภีร์ที่หลายหลายท่านคุ้นเคยโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเด็กนักเรียนรวีคุณครูระวีจะสอนให้ท่องเสมอขอให้เราท่องพร้อมกันนะครับ คนเกียดตค้านเอ๋ยไปหาหมดไปที่ขอดูทางของมันและจงฉลาดโดยปาสะจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครองมันเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้งและสัมสมของกินของมันในฤดูเกี่ยวเพราะฉจ้น้ของพระเจ้าตอนนี้นะครับกระชับโซโลมอนเขียนตักเตือนคนที่เกียรติค้านในบทที่หกนี้นะครับก็ได้พูดถึงการตักเตือนอย่างน้อยนะครับ สามเรื่องใหญ่ๆด้วยกันการตักเตือนเรื่องแรกนั้นก็อยู่ในเมื่อวานนี้ครับอยู่ในข้อที่หนึ่งนะครับจนถึงข้อที่ห้าได้พูดถึงเรื่องของอันตรายที่คนที่ชอบไปกู้หนี้ยืมสินและเป็นผู้ที่ค้ำประกันคนอื่นวันนี้เป็นเรื่องที่สองนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องอันตรายเหมือนกันก็คือความขี้เกียจพระจนาของพระเจ้าก็เลยบอกกับคนที่ขี้เกียจนะครับบอกว่า คนเกียดค้านเอ๋ยไปหาหมดไปไปดูครับว่ามันฉลาดมันฉลาดเพราะว่ามันสามารถทำงานได้เป็นทีมโดยที่ไม่ต้องมีหัวหน้ามาควบคุมไม่มีเจ้าหน้าที่มามาวุ่นวายหรือไม่มีคนมาปกครองมันมันเตรียมอาหารของมันในฤดูแรงและสัาสมของกินของมันในฤดูเกี่ยว พี่น้องครับจากพระของพระเจ้าตอนนี้อาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็เขียนอย่างนี้นะครับว่ามดมีการกระทํสองอย่างซึ่งสามารถช่วยเราเรียนรู้ได้คือหนึ่งสิ่งที่มดไม่ทํสองสิ่งที่มดทำถ้าเราสังเกตดูนะครับมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับชีวิตของมดนะครับทั้งในพระมงค์พีและนอกพระมงคพีก็อยู่ใน สองอย่างนี้ครับสิ่งที่มดไม่ทำและสิ่งที่มดทาเรามาดูก่อนนะครับว่าสิ่งที่มดไม่ทำคืออะไรบ้างหนึ่งมดไม่เห็นแก่ตัวครับมดมินิสัยที่ไม่เห็นแก่ตัวเมื่อมันพบอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ตามมันจะกระจายข่าวให้หมดตัวอื่นๆมาร่วมรับผลประโยชน์มาช่วยกันขนไม่ได้เก็บไว้สาหรับตัวเองคนเดียวดังนั้น เรามีของดีเราจะต้องไม่เห็นแก่ตัวครับเราควรจะบอกเพื่อนๆบอกคนที่เรารักบอกคนที่เรารู้จักบอกทักทั่วของเราบอกประชากรของเราพี่น้องครับพระวจะนะของพระเจ้าตอนนี้แต่เมื่อเรารู้ว่าเราต้องไม่เห็นแก่ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องไม่เก็บข่าวประเสริฐของดีที่พระเจ้าประทานกับเราเกี่ยวกับเรื่องของความรักความรอดพระคุณของพระเจ้าเราจะไม่ ไม่เก็บไว้ตัวคนเดียวครับเราควรจะต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นประการที่สองครับมดไม่ค่วงแต่ตัวเองเมื่อมดกินอาหารเข้าไปแล้วนะครับจะต้องเหลือเศษไว้ที่มุมปากมันไม่ได้กลืนกินลงไปทั้งหมดครับเผื่อว่าเมื่อพบเพื่อนที่ยังหิวไม่มีอาหารจะได้นาส่วน ที่เก็บไว้ที่มุมปากนั้นแบ่งให้เพื่อนมดอื่นๆกินได้พี่นั่งก๊อฟเราจะเห็นว่ามดนั้นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนๆนเราเองนั้นก็ควรจะมีความเ อ, เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนๆนของเราด้วยไม่ควรจะห่วงแต่ตัวเองครับเมื่อได้รับความจริงจากพระคมของพระเจ้าแล้วก็ไม่ควรเก็บไว้คนเดียวนะครับในพระคัมภีร์เดิมนั้นได้มีกฎเกณฑ์ของโมเสสบอกว่าคนที่เกี่ยวข้าวนั้น เวลาข้าวตกนะครับข้าวบางเม็ดมันตกไปนะครับก็ห้ามเอาไปหมดเหลือไว้ครับสำหรับคนที่ไม่มีจะกินเขาเดินตามมาและเขาก็จะสามารถเก็บข้าวตกจากรวงไปกินได้ประการที่สามครับมดสิ่งที่มดไม่ทำก็คือมดมันไม่ท้อใจครับมันมีความขยันอดทนไม่ท้อใจเวลามันไปพบกับอาหาร มันก็จะพยายามเอาอาหารนะครับชิ้นใหญ่ๆ ห, หนักกว่าตัวของมันนะครับกลับมายังรังของมันได้มันไม่ท้อใจครับเมื่อเราเจอมดกำลังขนอาหารนะครับเรายกอาหารเรายกอาหารไปไว้ไกลๆแกล้งมันมันก็จะกลับไปแบกมาอีกครับมันไม่ท้อแท้มันไม่ท้อใจเหมือนกับพวกเราพี่น้องครับเราต้องปรับปรุงตัวเองครับไม่ควรท้อใจ หลายๆลยครั้งเราอาจจะประสบปัญหาประสบความล้มเหลวแต่เราต้องอดทนอย่าท้อใจพยายามแล้วพยายามอีกจนกว่าจะประสบความสำเร็จครับเป็นนะครับสามเรื่องนี้ครับคือสิ่งที่มดไม่ทำก็คือมดไม่เห็นแก่ตัวสองมดไม่ห่วงตัวเองสามมดไม่ท้อใจเราจะมาดูกันนะครับว่าอะไรที่มดทำบ้าง นะครับเมื่อกี้เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับอะไรที่มดไม่ทําตอนนี้เราจะ ด, ดูว่าอะไรที่มดทําประการแรกครับก็คือว่ามันมีความสามัคคีครับมดไม่ว่าจะไปที่ไหนมันจะไปเป็นขบวนยาวเหยียดมันสามารถจะอยู่ด้วยกันอย่างรู้รักสามัคคีไม่แบ่งพักแบ่งพวกชีวิตเรานั้นก็ควรจะเป็นเหมือนมดครับมีความสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันรักซึ่งกันและกัน พระเยซูตรัสว่าถ้าสาวกหรือพวกเรานั้นรักซึ่งกันและกันเราก็เป็นพยานคนอื่นก็จะเห็นว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นสาวกของพระองค์ประการที่สองครับสิ่งที่มดทำก็คือมันมีความขยันหมั่นเพียรนะครับมันมีความขยันหมั่นเพียรอย่างที่สุดมันทำงานนอกจากจะมีความสามัคคีแล้วมันทำงานราวกับว่ามันไม่รู้จักเหน็ดเนืยเลยครับเพราะฉะนั้น เราเองซึ่งเป็นมนุษย์นั้นเราอย่าอายมดครับเราก็ควรจะขยันขันแข็งนะครับเช่นเดียวกันความขยันขันแข็งนั้นเป็นกุญแจไปสู่ความสําเร็จครับพี่น้องครับมีคําว่าเก่งไม่กลัวกลัวช้านั่นหมายความว่าย่งครับหมายถึงการที่เราเป็นคนเก่งแต่ความเก่งนั้นนะครับมันยังสู้คนที่ขยัน ไม่ได้นะครับเหมือนกับกระต่ายกับเต่าครับเมื่อเวลากระต่ายวิ่งนะครับวิ่งด้วยความเก่งด้วยความมีพรสวรรค์ของมันแต่ว่าในที่สุดแพ้เต่าครับเพราะว่าเต่านั้นมีความขยันหมั่นเพียรเป็นที่ตั้งประการที่สามครับสิ่งที่มดทาก็คือมันรู้จักดินฟ้าอากาศในเวลาที่กำลังมีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมมดจะรีบย้ายขึ้นไปอยู่ยที่สูงทันที ชีวิตเรานะครับก็เช่นเดียวกันครับควรรู้จักเวลาวาระว่าปัจจุบันนี้เป็นยุคสุดท้ายแล้วพระเยซูสอนว่าพระองค์จะเสด็จมาอีกในโลกนี้เราต้องรู้ดินฟ้าอากาศครับเพื่อเราจะเตรียมตัวให้พร้อมต้อนรับพระเยซูรับเสด็จพระเยซูเพื่อพระองค์จะมารับเราขึ้นไปอยู่กับพระองค์เหมือนกับการย้ายบ้านของมดครับไปอย่างที่ปลอดภัย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเราควรที่จะรีบเชื่อไล้วางใจในพิธยสุคริตเพื่อที่เราจะมี security หรือความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตแบบนิรันดร์ประการสุดท้ายครับสิ่งที่มดทำก็คือว่ามันเตรียมตัวพร้อมสำหรับอนาคตโดยธรรมดาแล้วนะครับมดจะเก็บสัมผสมอาหารในฤดูร้อนสำหรับไว้ใช้ในฤดูหนาวในฤดูหนาวนั้นมันหาอาหารไม่ได้ แต่ในฤดูร้อนมีอาหารมากมายมันพยายามหาอาหารไว้เตรียมไว้ตั้งแต่เนื่นๆที่นั่งครับชีวิตของเราก็เหมือนกันครับเราจะต้องตระเตรียมชีวิตในอนาคตไม่ว่าจะเป็นชีวิตหลังกา ร, กรเกษียณหรือไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่เราจะต้องเดินทางไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในเมืองบรมสุเกษเราเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวหรือเปล่าครับ เราเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมเลยเปล่าครับในการที่เราจะเข้าสู่วัตตยต่างๆระยะต่างๆของชีวิตและในที่สุดเราจะมาถึงกระบวนการพัฒนาการชีวิตในระยะสุดท้ายสูงสุดก็คือการเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยสรุปนะครับในวันนี้มดมีการกระทำที่ดีทั้งสองประเภทไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มดไม่ทำ เป็นสิ่งที่มดทำพี่น้องครับ <c oughs> หากเราพยายามศึกษาฝึกฝนเราจะได้ปะสติปัญญาจากมดครับอาเมน